รู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นผู้ใหญ่เทตมาเคารพทักถือผู้หนึ่งเมื่อสิอบสิกว่าปีก่อนท่านเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความรู้มีความสามารถทางวิชาการ เรตั้งใจสอนลูกจิตลูกหาก็เคารพนับถือและท่านก็ไม่เล่นพักเล่นพวกมีปีนึงเนี่ยคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ลาออกตำแหน่งคณะบดีก็เลยว่างก็มีเพื่อนๆ อ, อาจารย์เนี่ยชวนท่านนะไปเป็นคณะบดี คณะกรรมการสัรหาก็เคยทาบทามท่านแต่ท่านก็ปฏิเสธนะเพราะว่าไม่ชอบเรื่องการบริหารจึกระทั่งต่อมาเนี่ยประธานคณะกรรมการสัรหาก็มาติดต่อท่านเป็นส่วนตัวชักชวนให้รับการทาบทามท่านก็เลยลังเลจึงไปปรึกษาผู้ใหญ่2ท่านที่ท่านเคารพนับถือมากถามว่าเนี่ย ผมควรรับเป็นคณะบดีหรือเปล่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเนี่ยคุณเนี่ยมาทำงานบริหารเนี่ยคงจะเสียเวลาประปล่าเพราะว่าวันวันก็เอาแต่ประชุมแลต่ตนนักคณะบดีเนี่ยมันเสียเวลาไปการประชุมมากไม่เคยได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ทำงานวิชาการมีประโยชน์ก็เยอะสรุปก็คือวไม่ควรเป็นไม่ควรรับเป็นคณะบดี อีท่านหก็บอกว่ า, วาเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาไม่ค่อยไม่ชอบเป็นคนที่จะเอาอกอาใจใครเล่นการเมืองก็ไม่เป็นไม่หมาะนะที่จะเป็นคณะบดีท่านก็ใจก็โน้มไปทางนั้นอยู่แล้วนะแต่บังเอยวันนึงเนี่ยไปพบอาจารย์ป่วยอยึ้งผ่าก่อน อ, อาจารย์ป่วยนี่คงจะเป็นอาจารย์บดีมาอะไรธรรมศาสตร์อาจารย์ท่านนี้ก็คุ้นเคยกับอาจารย์ป่วยมานานก็เลยถามคําถามเดียวกันนะว่าผมควรรับเป็นคณบดีหรือเปล่าอาจารย์ป่วยตอบว่าคุณถามคําถามผิดแล้วคุณไม่ควรถามว่าจะรับเป็นคณะบดีหรือไม่แต่ควรถามตัวเองมากกว่า ว่าคุณอยากทำประโยชน์อะไรให้กับคณะศึกษาศาสตร์และสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยมันต้องเป็นคณะบดีหรือเปล่าถ้าไม่ต้องเป็นคณะบดีคาตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วนะก็คือไม่ต้องเป็นแต่ถ้าสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยต้องอาศัยการเป็นคณะบดีคาตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าควรจะรับเป็นคณะบดี ไม่ เ, เป็นต้องมาถามผมนะอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเป็นคําตอบที่ไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็ทําให้ท่านต้องพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็ชมว่าเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยมีความคิดที่หลักแหลมมากต่อหลังท่านก็แนววิจารณานะแล้วก็ตกลงรับเป็นรับการท้าทามเป็นคณะบดี เรากได้รับเลือกนะเป็นคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์แต่ว่าท่านก็เป็นได้แค่ปีครึ่งก็ลาออกเพราะไม่สามารถจะทําประโยชน์ได้อย่างที่ตั้งใจแต่สุดท้ายภายหลังที่ท่านก็ทั้งที่ก็ไม่ได้สรรหาไม่ได้สแสวงหาตําแหน่งอะไรนะสุดท้ายก็ได้รับเลือกเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลป์ักกนต์ก่อนจกกะเกษียณ อาจารย์ท่านนี่คืออาจารย์อุทัยดุลยเกษมที่ท่านที่ท่านพูดถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยน่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะเพราะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อมีใครมาปรึกษาถึงสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่คือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบแต่อยู่ที่การให้ข้ออาจารย์ป่วยก็ไม่ได้ให้คำตอบนะ แกอาจารย์อุทัยนะแต่ให้ข้อคิดซึ่งข้อคิดเนี่ยบางทีมันมีประโยชน์มากกว่าคำตอบชัดๆเพราะมันทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะใคร่ครวญอย่างจริงจังซึ่งในหนัสก็พบคำตอบด้วยตัวเองหรือว่าพบ าทางออกอที่ดีกว่าสมัยที่หลวงพ่ออมเขียนยังมีชีวิตอ ย, ยู่เ่ยไมโยงคนหนึ่งมาปฏิบัติตะลนสติทำไปได้สองสาวันหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมไปสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างโยงคนนั้นก็บอกวันไม่ไหวเลยหลวงพ่อ หนูเคืียนมากเหลือเกินทำยังไงดีหลวงพ่ออาจารย์ที่จะตอบว่าควรทำอย่างไรทาารก็บอกว่าเนี่ยยังถามไม่ถูกนะเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยลองถามใหม่เธอนั่นก็คิดสักพักทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อเคยสอน ลราก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อหนูเห็นมันเครียดอ่ะมันต่างกันมากนะระหว่างหนูเครียดเหลือเกินนกับหนูเห็นมันเครียดเนี่ยอีแรกเนี่ยเธอเป็นทุกข์มากนะเพราะว่าเครียดหรือว่าเป็นผู้เครียดอยากจะขอคำแ น, นะนำจากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ได้แนะนำอะไรเลย เพียงแต่ผูใ้ใจคิดว่าที่ถามยังถามไม่ถูกถามใหม่แล้วเธอก็พบว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเธอวางใจไม่ถูกเนะี่ยเวลามีความเครียดก็เข้าไปเป็นผู้เครียดแต่ที่ถูกคือเห็นความเครียด พอเธอบอกว่าเนี่ยหนูเห็นมันเครียดเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะไอตอนที่บอกว่าหนูเครียดหนูเครียดนี่มันความรู้สึกมันแย่แต่พอมาตอบหมายว่าหนูเห็นมันเครียดเนี่ยความรู้สึกมันดีขึ้นมันรู้วิธีหรือท่าทีในการปฏิบัติต่อความเครียดคือไม่เข้าไปเป็นแต่ว่าเห็นเดี๋ยวเราเป็นการค้นพบด้วยตัวเองก็ได้นะ พบว่าเนี่ยเราทำไม่ถูกนะเราก็าไปเป็นแต่ที่จริงควรจะเห็นมาก ห, หลวงพ่อคำเขียนไม่ได้ให้คำตอบนะว่าควรทำยังไงแต่ว่าให้ข้อคิดหรือผู้ใช้คิดและการให้ข้อคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรดีกว่าการตั้งคำถาม ถ้าตั้งคำถามถูกเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะลยแล้วมันมีประโยชน์กว่าการให้คำตอบอาจารย์ป่วยเนี่ยบอกอาจารย์อุทัยว่าเนี่ยที่คุณถามผมเนี่ยมันถามผิดนะถามผิดยังไงนะที่แรกก็คือถามผิดคนที่จริงควรจะถามตัวเองมากกว่าและสองถามผิดประเด็น ประเด็นไม่ที่ว่าควรรับหรือไม่ควรรับเป็นคณะบดีแต่คุณถามว่าเนี่ยเราอยากจะทําประโยชน์อะไรให้กับคณะศึกษาศาสตร์และสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันต้องเป็นคณะบดีหรือเปล่าถ้าไม่ต้องเป็นคําตอบมันก็ชัดอยู่แล้วแต่ถ้าสิ่งที่อยากทําต้องอาศัยการเป็นคณะบดี คำตอมก็ชัดเจนอีกเหมือนกันนะเจ้าตัวถามแล้วก็ตอบเองได้ดีกว่าคนอื่นให้คำตอบการให้ข้อคิดมันไม่จาเป็นต้องตอบตรงๆนะแต่ว่าการตั้งคำถามเนี่ยมันจะ ชวนให้คนได้ขบคิดพิจารณาไคร่ครวนได้ดีกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านก็พบคำตอบเลยนะว่าควรรับเป็นคณะบดีหรือเปล่าหลังจากที่ได้ข้อคิดจากอาจารย์ป่วยแล้วมาไคร่ครวนคนรามักคิดว่าคำตอบเนี่ยสำคัญกว่าคำถามแต่ที่จริงคำถามเนี่ย สำคัญกับคำตอบนะถ้าถามถูกถามดีๆนี่โอ้มันมันทำให้คนนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เลยตอนที่พระเจ้าเนี่ยทรงตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่จำภาษาอยู่ที่ป่ายสิบปตัตตนมรุกทะยานภรษาแรกพอภาษาท่านก็เสด็จไปที่ กุ้งราชครึกลางทางพระองก็พำนักอยู่แถวไร่ไฟ้ายเพิ่นช่วงนั้นเนี่ยวันนั้นเน่เวลานั้นน่ใกล้ๆกันเนี่ยมันมีชายหนุ่มนะ30คนพากันไปสำเริงสำราญโดยแต่ละคนก็มีผู้หญิงไปด้วยทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่รักแต่มีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยไม่มี ก็เลยไปจ้างนางคณิกามาเป็นคูน่แล้วก็ระหว่างที่มานบแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยกำลังเล่นน้ำกันสนุกสนานนางคณิกานี่ก็ใช้จังหวะ น, นั่นแหละเอาเครื่องประดับทรัพย์สินของมานบทั้ง30คน ก็หนีไปของก็มีค่าทั้งนั้นเช่นแหวนธรมมรงหรือว่ากำไรนี่มนุษย์สาิคนนี่พอรู้ว่าทรัพย์มีค่าถูกขโมยไปก็ตามหานางคณิกาคนนั้นเลยพากันออกเดินตามก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระองกลางประทับอยู่ใต้ตน้นไม้ ก็เลยาวโปรงว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาแถวนี้ไหมผู้เจ้าแทนที่จะตอบด้ว่าเห็นหรือไม่เห็นนะถามว่าการแสวงหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองเนี่ยอะไรที่ดีกว่ากันบอกว่าทั้งสามสิบคนชงักเลยนะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่ทําให้ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็น่าสน น่าสนใจด้วยนี่แ ส, ง, สงหาตัวเองนี่มีด้วยหรือก็เลยมานั่งสนสนากับพุทธเจ้าพูุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสแสดงธรรมเลยนะอนุปพิกถาตามมาด้วยอริสัต4ปบอกว่าทั้งสาสบคนนีก้ก็กลายเป็นมีดวตงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดา บ, บันเลย เพียงพอาคำถามนะว่าการสแสวงหาผู้หญิงกับการสวงหาตัวเองอะไรที่ดีกว่ากันถ้าพวงตอบน่าจะตอบทางไหนเนี่ยอาจจะไม่เกิดผลที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในใจของสาสิกรก็ได้เช่นถ้าตอบว่าเนี่ยเราไม่เห็นผู้หญิงคนนั้น หรือว่าเราเห็นนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือถ้าลรงตอบตรงๆก็เนี่ยมาสนใจมาฟังทำกันดีกว่าตอบตรงๆแบบนี้30สคนจะสนใจหรือก็ไม่สนใจแต่พอถามนะประโยชน์ี้ขึ้นมานี่ทั้ง3าสคนก็สะดุดใจเลยเพราะนั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยคำถามนี่มันสำคัญกับคำตอบนะเดี๋ยวพะถ้าเราต้องการให้คนได้ฉุกคิดขึ้นมาแล้ ว, ว่าคำถามเนี่ยถ้าใจดีเราต้องรู้จักถามตัวเองด้วยถ้าเรารู้จักถามตัวเองเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความฉุกคิดหรือได้สติขึ้นมา เพรามันนำไปสู่การใคร่ครวนอย่างทางขึ้นบันไดนะอหอใจนี่มันจะมีป้ายเน่ยเขียนว่าฉันมาทําอะไรฉันมาทําอะไรที่นี่หรือว่าฉันมาที่นี่ทํำไมอันนี้ถ้าเราไม่เพียงแต่เดินผ่านแต่ว่าเราเอามาถามตัวเราเองว่าฉันมาที่นี่ทํำไม บางทีมันทำให้ได้คิดนะถ้าเราตั้งใจถามจริงๆแล้วก็ตอบตรงๆนะเช่นมันก็เลยบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อสแสวงหาความสบายไม่ว่าจะเป็นสบายทางกายนะเช่นได้ที่พักผ่อนได้กุฏิที่พักที่สบาย หรือว่าสบายเพราะว่ามีคนที่ดีๆกับเรานะทำดีกับเรารู้ใจเราพูดดีกับเราหรือสบายเพราะว่าไม่มีสิ่งรบกวนบางทีเราจะพบว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องก็ได้นะแต่ถ้าเราตอบว่าเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อมาฝึกฝนตนเนี่ย มันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เพราะถ้าเกิดว่ามาที่นี่เพื่อหาความสบายพอมันเจอความไม่สบายขึ้นนะกุฏิก็ไม่ดีบางทีก็ไม่มีไฟ หรือว่าช่วงหน้าหนามไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นก็เป็นทุกข์หรือว่ามาที่นี่แล้วไม่สบายเพราะว่าไม่สุขสบายเพราะว่าผู้คนไม่น่ารักคนนี้ก็ช่างบนคนนี้ก็ช่างดินทาก็จะเกิดความอึดอัดขัดเคืองแต่ถ้าเกิดว่า ตอบตัวเองว่าฉันมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนให้ความไม่สบายความไม่สะดวกทั้งหลายเนี่ยมันกลับกลายเป็นของดีไม่มีไฟก็ลองอยู่นะอาศัยแสงเทียนหรือว่าคนรอบตัวเขาทำตัวไม่น่ารักเขาพูดไม่ถูกใจอา่าก็มาฝึก ในการปรับใจของเราให้มันถูกซะเขาทาไม่ถูกเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะมาฝึกใจของเราให้มันถูกต้องเขาจะขี่บนชอบดินทายอย่างไรจิตใจแสงก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉันมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนเองแต่ถ้าเราไม่ถามตัวอะไรไปเนี่ยบางทีมันจะเผลอนะ เผลอแสวงหาความสุขสบายพออาหารไม่ถูกใจนะก็บนดเว้ยายตีโพยตีพายพอมีบางคนทำตัวน่าระอาก็เกิดความหงุดหงิดชุนเฉียวกลายเป็นว่ามาแล้วมีความทุกข์ ถ้าคนที่มาที่นี่เพื่อมาหาความสบายเนี่ยสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความทุกข์เพราะว่าจะเจอแต่สิ่งที่ไม่ถูกใจอาจจะไม่สบายทางกายบ้างหรือไม่สะดวกสบายในทางสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเพื่อฝึกฝนตนนะโอ้มันก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ไม่ถูกใจนี่แหละนะ มาเป็นเครื่องฝึกฝนให้มีสติเพื่อรักษาใจไม่ให้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่ให้ความหงุดหงิดมาคลองใจหรือว่าเพื่อมาฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองที่ไหนที่ไหนก็แบบนี้แหละ แค่นี้ยังทนไม่ได้แล้วต่อไปเจอทุกข์ที่หนักกว่านี้จะทนได้ยังไงไอคนที่ไม่ถูกใจทําตัวน่าระอาบางทีเราก็เห็นแค่าแค่ครั้งคราวไม่ได้เห็นทุกวันแต่ต่อไปเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจที่มันตามติดตัวเราไปตลอดเวลา เราจะทํำยังไงนเช่นความเจ็บป่วยทุกขเวทนาที่มันรบกวนจิตใจตลอดเวล า, ารบกวนร่างกายตลอดเวลาทําให้จิตใจหงุดหงิดสิ่งที่มากระทบเราเพียงแค่ครั้งคราวเรายังเอาตัวไม่รอดแล้วสิ่งที่มันตามติดเราไปตลอดเวลาเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรถ้าคนที่เขาคิดถึงเรื่องการฝึกฝนตนเนี่ยมาที่นี่เพื่อฝึกฝนตนนี่เขาก็จะ ไม่บันไหวนะกับความไม่สะดวกความไม่สบายหรือว่าความไม่ถูก อ, อกถูกใจมันสำคัญมากในะที่เราจะถามตัวเองว่ามาที่นี่ทำไมบางทีเราไม่ได้ถามตัวเองเท่าไรมันก็เลยปล่อยใจไปตามความเคยชินก็คือว่ามาแสวงหาความสะดวกสบายเพียงแต่ว่า อาจจะไม่ใช่ความสบายอย่างชาวโลกทั่วไปที่มีวัตถุสิ่งเสพแต่ว่าเป็นความสบายในแง่ที่ว่ามีแต่สิ่งที่ถูกใจผู้คนที่ถูกใจการกระทำคำพูดที่ถูกใจหรือว่าคนที่ยิ้มให้มีน้ำใจอันนี้ก็เป็นความสบายอีกแบบหนึ่งที่ หลายคนสแสวงหาแต่พอไม่ได้มาก็เกิดความทุกข์เพราะผิดหวังซึ่งตรงข้ามกับคนที่มาเพื่อฝึกฝนตนเขาก็จะพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้และเอามาใช้เป็นประโยชน์ใอ้การถามตัวเองเนี่ยถ้าเราถามถูกมันช่วยได้เยอะเลยนะช่วยทำให้ได้สติขึ้นมา อย่างเวลาเดินทางเนี่ยนะเจอรถติดหลายคนก็จะบ่นในใจทำไมรถมันติดเยอะอย่างนี้หรือว่าช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยทำไมมันร้อนอย่างนี้นะที่จริงถามผิดนะต้องถามว่ารถติดแล้วทำไมจิตต้องตกด้วยหรือว่ารถติดทำไมเราต้องหงุดหงิดด้วยอากาศร้อนทำไมเราต้องปล่อยใจให้ร้อนด้วยถ้าถามแบบนี้มันได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเราจะ บ่นเวรยวาตีพอไปตีพาไปทําไมแต่ถามไม่ถูกเนี่ยมันจะยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะทาไมรถมันติดอย่างนี้วันเสาร์วันหยุดแท้ๆถนนมันน่าจะโล่งทำไมมันติดแบบนี้นนถามหมายว่าเนี่ยรถติดทําไมต้องหงุดหงิดด้วยแค่นี้เองทำไมอ า, อากาศร้อนอันนี้ถามไม่ถูกแต่ถามว่าอากาศร้อนแล้วทําไมใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วย อันนี้มันทำให้เราได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเออจะบ่นวอยวายกับสิ่งภายนอกทำไมเรามาปรับใจของเราดีกว่ารถติดนะแต่ว่าใจไม่หงุดหงิดมันทำได้อากาศร้อนมันร้อนแต่กายใจไม่ร้อนนี่ก็ทำได้ทำไมเขาพูดอย่างนี้กับเราทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราถามแบบนี้แล้วมันก็ชวนให้เป็นทุกข์เปล่าๆแต่ถ้าเราถามว่าเนี่ย ก็พูดแค่นี้ทําไมเราต้องเป็นทุกข์ด้วยพูดแค่นี้ทําไมเราปล่อยเราวางไม่ได้เพรมันก็ทําให้ได้สติขึ้นมา เ, เดโดยวเพราะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติก็แล้วไปก็ถามแบบชาวโลกแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วถามอย่างนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าอย่างไม่ก้าวหน้าถ้าเป็นนักปฏิบัติเราลองถามว่าเนี่ยขาพูดอย่างนี้ก็ทำํำนี้ทำไมเราต้องหงุดหงิดด้วย ทำไมเราต้องไปถือสาด้วยทำไมเขาไม่เข้าใจฉันทำไมเขาไม่เข้าใจฉันอันนี้ถามไม่ถูกนะแต่เราถามหมายว่าแล้วเราเข้าใจเข้าแล้วหรือเราแต่เรียกร้อยเขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ก็จะถามคำถามแรกทำไมเขาไม่เข้าใจฉัน แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะที่รู้จักมองตแเราก็จะถามว่าแล้วเราอ่ะแล้วฉันนะเข้าใจเข้าเลอวหรือนะถ้าเราหันมาถามแบบนี้บ้างนะมันจะได้คำตอบเลยนะคำตอบคือว่าต้องมาจัดการที่ใจของเราพอสุขหรุดทุกข์อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปหาคำตอบจากคนอื่นหรือว่าอย่ามัวตั้งคำถามผิดตั้งคำถามไม่ถูกแล้วเราก็จะพบคาตอบหรือทางออก ซึ่งที่แทมก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละท่านติณฑ์ท่า น, น, า ท, า น, ท, านท่านเขียนประโยคสั้นๆประโยคหนึ่ง น, น่าสนใจมากเป็นภาษาคิดว่า w a e out is in ท า, ออ ท, าทางออกอยู่ที่ข้างในทางออกอยู่ที่ข้างในในอะไรในใจเราทางออกจากทุกทางออจะปัญหายที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอก ถ้าเราถามไม่ถูกถามไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเห็นแต่มองแต่หาทางออกจากภายนอกแต่ถ้าถามถูกมันก็จะพบว่าทางออกอยู่ที่ใจเรานั่นแหละ